เ่อนฟังที่เคารค่ะเราผ่านช่วงต้นได้ปฏิบัติธรรมกันตามสมควรได้ฟังพระสูตรถ้าสนใจมีสมาธิในการฟังก็จะได้พบนะคะว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสอย่างชนิดที่ปิดในส่วนที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่ายังเป็นประโยชที่ไม่สมบูรณ์เป็นมหัศจรรย์มากนะคะสำหรับในสิ่งที่ พระพุธงได้ตรัสเอาไว้ทั้งในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็วิธีในการพูดนักศึกษามากค่ะเราจะได้ทั้งธรรมเราจะได้ทั้งวิธีในการที่จะพูดให้เหนือมนุษย์ทั้งปวงดีฉันกล้าที่จะพูดคํานี้เลยตอนนี้เราก็มาพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนนะคะช่วงที่ท่านจะนําเอาพุทธวจนะมาตอบคาถามให้กับพวกเราเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนรเมศ ก, การกับท่านค่ะเรียตอนค่ะ ศูนยักพิงขึ้นต้นทุกครั้งที่เจอท่านพบูร์ก็นละกันเพราะว่าตอนนี้คนที่ยังต้องการที่พึ่งเชื่อว่ายังมีอยู่ก็ศูนย์ทักพิงตรงนี้คิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากถราบว่าเราเดินทางกันมาคืออาจมาว่ามันไม่ไกลหรอกแล้วถ้าเราเดินทางมารถเราก็ก็ขับมาก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่เปียกหมายถึงว่าถ้าจอดไว้ที่อื่นมันก็จะเสี่ยงเลาวแล้วก็มีลูกศิษย์หลายหท่านเดินทางมาแล้วนะที่แจ้งแจ้งมาตอนนี้ก็มีสิบกว่าท่านแล้วที่ว่า เดินทางมาแล้วบ้าง<ม>กำลังเดินทางมาบ้างอย่างนี้นะคือเส่วนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในก็คิดว่าป้องกันคือคือพวกที่มาเนี่ยเขาทํำยังไงก่อนเขาก็ป้องกันเท่าที่เขาจะทําได้นะีมีการเตรียมการที่บ้านอะไรให้เรียบร้อยอแล้วก็บกุคคลที่มาส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นผู้ที่ทํางานทางโทรศัพท์ได้อย่างนี้ก็มีก็ให้ลองพิจารณาดูค่ะนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันช่วยรัฐบาลด้วยแล้วก็ ช่วยให้ท่านทั้งหลายที่ตะขิดตะขวงใจที่จะไปอยู่ในศูนย์พักพิงหรือเป็นคนที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัด <c oughs> มีเยอะนะคะอย่างที่ฉันเองเนี่ยญาติพี่น้องที่อยู่ก็จะอยู่ในละแวกที่น้ําท่วมเช่นเดียวกัน <c oughs> คือเป็นคนจากภาคกลาง <c oughs> มองไปก็เทง่งเต้งพอกันเลยก็นี่เป็นทางเลือกอยู่ที่วัดป่าดอนหายศออำเภอหนองหานอุดรธานีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเนี่ยนะคะให้ไปตอนต้นรายการเลยก็ได้วันนี้089 94464710899446471เดี๋ยวดิฉันจะบอกกับทางสถานีไว้อีกทางนึงก็แล้วกันนะคะเผื่อที่ท่านคุ้นเคยกับการจะโทรเข้ามาที่สถานีแล้วก็ฟังไม่ค่อยทานไม่มีอะไรจะจทย์อย่างเงี้ยนะคะตอนนี้จะมากราบเรียนสนทนากับพระชันไพบูลอภิปุณโหนต่อค่ะเมะื่อวานนี้เราก็พูดกันไปเยอะเลยนะคะเรื่องสืบเนื่องจากน้าท่วม ดิฉันเองเนี่ยวันเนี้ยก่อนที่ไปถึงเรื่องน้ําท่วมอยากจะกราบเรียนถามในสิ่งที่ดิฉันไปทราบมาแล้วก็น่าสนใจมากแต่ท่านพบูรุษไม่เคยพูดกับดิฉันเลยทั้งๆง ท, งที่ดิฉันก็กราบสนทนากับท่านบ่อยๆนะคะ <laughs> ท่านคงจะเดาไม่ออกเรื่องวิ่งมาราธอนกับท่านกันอ๋อวิ่งมาราธ <laughs> อน <laughs> พระเกี่ยวกับวิ่งมาราธอนได้อย่างไรเล่นได้คุยกับอน้องๆที่ก็อยู่การบินไทยค่ะอ๋อก็บอกว่าเนี่ยพระอาจารย์เมตตามากเลย S <S ได้แนะนำให้ไปวิ่งมาราทอนพร้อมๆกับการเจริญอาณาปานาสติๆๆๆเรื่องของการวิ่งมาราทอนนี้เป็นไงคือสมัยก่อนตอนที่อาตมาเป็นคราวาสอยู่ <S S S เ, เล่าให้ฟังเลยก็ได้ตอนนั้นเราหนักมากหนักร้อยหกกิโลหนักแปล ว, ว่าน้ำหนักน<ช>้า<ช>หนักใช่ใช่น้าหนักเพราะว่าคือคือวิสัยคราวาสนะมันเจออะไรชอบเราก็เกินเกินก็เรียกว่าเซนจูรี่เบรกไปแล้ว เกินร <100 S 2> ้อยไปแล้วนะมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตอนนั้นเราน้ำหนักเกินร้อยแล้วก็มันวิสัยคารวาน่ะเจออะไรก็กินอชอบอะไรก็หยิบใจปากเดินอยู่ล้วก็ไม่แคร์เดินไปกินไปพูดไปสบายใจมากที่สุดเลยตอนนั้นเป็นทาสของปากคิดอยากกินอะไรก็ไปซื้อมันกินนะนะจนทำให้ตัวเองเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากจากเมื่อก่อน7จ8 0แปเนี่ยเพิ่มไปเป็นร้อยอย่างเงี้ยทงานแค่ ห้ 5, ปีเท่านั้นเองในช่วง5้ปีเพิ่มมาเป็นร้อยร้โลมาเป็นเกินร้อยโลขึ้นไปก็มาพบตัวเองว่าสุขภาพไม่ดีมากมีความดันสูงโรคภัยไข้เจ็บน้ำหนักตัวปวดแข้งปวดขาอะไรเป็นไปหมดก็เลยไปหาหมอหมอเขาก็เลยให้ยาที่สําหรับลดความดันมาเป็นยาที่ทําให้หัวใจชาแล้วก็ขยายหลอดเลือดขึ้นเพื่อที่หัวใจมันจะได้เต้นช้าๆหน่อยเต้นเบาๆหน่อย ะนะฮาแล้วมามาดูว่าตอนนั้นเรายังไม่ถึง30าอายุยังไม่30มสโอค่ะก็มาคิดว่าไอ้ทําไมเราต้องมากินยายประเภทนี้ด้วยถ้าไม่งั้นเรา70เนี่ยเราจะอยู่ไหวเหรอจะไม่กลายเป็นพวกต้องนอนเตียงเป็นง้อยเป็นํพาพลาสอะไรองี้หรือเปล่านะก็เลยไม่กินยานี้นะขยำทิ้งไปเลยแล้วก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งมาราธอนพอดนะีก็เลยตั้งใจว่าฉันจะไปวิ่งมาราธอนโอค่อะทีนี้ในช่วงระหว่างที่มีการฝึก ตัวเองเพื่อที่จะวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้น้ําหนักของเราลดไปมากประมาณ20่สโลได้ในช่วงประมาณปีหนึ่งเนี่ยนะที่ฝึกเตรียมวิ่งมาราธอนแล้วก็พบธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะในช่วงการที่เราเตรียมตัวเนี่ยพบวา่าเวลาที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยอย่างเช่นว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ชอบเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาคุณผู้มติวมันเหนื่อยแบบมากๆเลยนะอย่า ง, างคนที่วิ่งเนี่ยจะทราบว่ามันจะมี ภาษานักวิ่งเนี่ยเขาจะมีกำแพงที่มองไม่เห็นอยู่ประมาณกิโลเมตรที่30มสิวิ่งไปเนี่ยทุกๆเซลล์ในร่างกายจะบอกว่าไม่ไหวแล้วพอเถอะคุณทําไม่ได้หรอกหยุดเลิกนะอย่าทําต่อฉันจะตายจะตายแล้วเน่ยคือพลังงานในร่างกายมันไม่เหลือแล้วนะเราจะวิ่งต่อไปอยังไงตอนนั้นก็เหลือแต่ใจอย่างเดียวก็วิ่งไปนะทําให้พบว่าจากที่เราจะต้องย้ายบ้านนะเพื่อที่จะไปใกล้อยู่ใกล้สวนสาธนารณะเพื่อจะวิ่งได้ จากที่เราจะต้องซื้ออุปกรณ์แพงๆเครื่องไม้เครื่องมือรองเท้าเสื้อผ้าอุปกรณ์วัดระดับอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราวิ่งได้นะจากการที่เราจะต้องไปจ้างคนฝึกสอนมาสอนเราให้วิ่งยังไ ง, งต่างๆเปลี่ยนอาหารโอ้ยมันสุดท้ายมันอยู่ที่ใจอย่างเดียว<ะ>เพราะฉะนั้นจึงเป็นบททดสอบสําหรับคนที่ต้องการไปวิ่งเนี่ยคนวิ่งเนี่ยจะทราบคุณโยมติว๋วคนที่เขาฝึกวิ่งเนี่ยเหมือนยังคนที่ใกล้ตายอะ่ะใกล้ตาย<ะ>หรือบ้านน้าท่วมเนี่ย คุณไม่รู้หรอกตอนที่บ้านคุณไม่น้ำท่วมตอนที่ <Okay. S 1> ดูซีนามิอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนะ่ะเขาถล่มกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยหนาวก็หนาวมีกำมันตรังสีด้วยแผ่นดินก็ไหวเนี่ยเราไม่รู้เท่าเขาหรอกจนกระทั่งเราบ้านเราน้ำท่วมเอง <Okay. S 1> หรือเราไม่รู้ว่าเราความตายมันจะเป็นยังไงหรอกจนกระทั่งเราใกล้ประสบการณ์ความตายเองเราแสดงนี้ <Okay. S 1> นะอืเพราะนั้นจึงเป็นการฝึกให้เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือว่าเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะทําจิตยัยงไงอ เท่ากับว่าขณะที่ท่านน้าหนักร้อยหแล้วไปพบการวิ่งมาราธอนตอนนั้นท่านเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วหรือไงคะยังยางเะไมายังหนาวมากอ๋อค่ะเพราะว่าที่ดิฉันสนใจก็คือในส่วนของการวิ่งมาราธอนที่เราก็คิดว่าก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งบางคนก็วิ่งเพื่อชิงรางวัลบางคนก็วิ่งเพื่อสุขภาพแต่เห็นหลายหลายคนวิ่งแล้วติดนะคะอืมอืมใช่ ท่านท่านจัดเป็นประเภทที่วิ่งแล้วก็เสพติดการมาราธอนไหมคะเอ่อเสพติดนี่คือหมายความว่าเขาต้องไป<ก>วิ่งอยู่เรื่อยๆดิฉันมีพี่คนหนึ่งตอนนั้นอยู่ช่องเจ็ดสีนะคะเขาเป็นนักข่าวรู้สึกกระเซดนะคะอืไปวิ่งหลายประเทศเลยนะคะอคือชอบวิ่งอ่ะวิ่งจนรู้สึกว่าไม่ได้วิ่งมันขาดกันไม่ได้เป็นลมหายใจของชีวิตเลยะคะ่ะชอบหรือว่าเสพติดนี่จะไม่เหมือนกันนะคือว่าเสพติดเนี่ยคือคือเสพติดเลยอะ่ะคือคือคถ้าไม่มีไม่ได้ แต่ว่าถ้าชอบเนี่ยก็ไปทําบ่อยๆ อ, อันนี้ก็ไม่ไม่ไมผิดอะไระอย่างสมมุติพระอย่างเงี้ยชอบนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสพติสมาธิไหมมันก็ต้องดูที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับด้วยกามไหมเกี่ยวข้องกับด้วยความสุขทางๆาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่อืมค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้ทดแทนกันได้ในถ้อยคําแบบปุถุชนธรรมดาอแต่ว่าอาจจะทําให้ผิดจากความหมายไปถ้าหากมาใช้อธิบายในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมออ ช่ไหมคะท่านท่านอาจารย์คะทีนี้เอาละอันนั้นท่านอธิบายถึงการวิ่งมาราทนอนว่ามันเป็นการวิ่งที่ท้าทายมากเหมือนกับเป็นการฝึกใจว่าทุกอย่างมันจะสำเร็จด้วยใจใเพราะมัน ม, มีจุดของกำแพงที่มองไม่เห็นที่จะทำให้คนที่ไม่แน่ใจเนี่ยหรือพบไม่ได้ว่ามันสำคัญที่ใจไปต่อไม่ถูกใช่ไหมคะทีนี้เมื่อท่าน มาเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหีกเล่นแล้วเนี่ยค่ะแล้วลูกศิษย์ท่านเหล่านี้มาบอกที่ฉันบอกว่าเนี่ยท่าอาจารย์บอกให้ไปวิ่งมาราทอนออวิ่งมาราทอนกับอาณาปานาสติด้วยเชา้ชาเช้านี่มีคนที่ออกกําลังฟังรายการเยอะคะ่ะท่านคะอาจจะสงสัยพอดีแล้วมันทําด้วยกันได้ด้วยหรอยังไงกันเราทำได้แน่นอนเพราะว่าเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยเรามีสติได้ค่ะแล้วในขณะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยมันคุณก็ต้องหายใจอยู่ดี เพราะนั้นแทนที่เราจะไปคิดเรื่องอื่นจะไปคุยกับเพื่อนที่วิ่งข้างๆหรือไปทาอะไรลองมาปฏิบัติธรรมด้วยเลยจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การฝึกวิ่งเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีข้ออ้างนะคืออย่างพวกที่ข้ออ้างมากๆอะ่ะเช่นยังเช้าไปยังสายไปยังดึกไปแล้วดึกอยู่เลยยังไม่ทำอย่างเงี้ยน ะ, ะการวิ่งนี่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองฝนตกคุณต้องไปวิ่งแดดออก uh, คุณต้องไปวิ่งวันนี้ต้องอถ้าไม่วิ่งเนี่ย เราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกนะไปถึงเข้าสนามจริงๆคุณตายแน่นอนอ๋อเท <c oughs> ่ากับว่าอาท่านดิ๋ฉันได้ยินว่าท่านท่านบอกให้ท่านทั้งหลายเราเนี้ยไปสมัครวิ่งมาราทอนถูกไหมคะ <c oughs> ใช่ใแล้ว <c oughs> <c oughs> จะได้แล้วระหว่างนี้ก็มีการต้องเตรียมตัวฝ <c oughs> ึกถูกต้องต้องฝึก <c oughs> ถ้าไม่เตรียมตัวเนี่ยเข้าสู่สนามเนี่ยมันมันทำไม่ได้หรอกคุณยมติวิ่งสี่ิบสองุดหนึ่งเก้าห้ากิโลเมตรนะเท่ากับกรุงเทพหนองบงัวลำพูอะ วิ่งไปอ่ะอืมกี่กิโลนะคะขออีกครั้งนึงคะสิบสองจุดหนึ่งเก้าห้ากิโลอันนี้คือมาตรฐานของมาราทอนนะคะสิบสองจุหนึ่งเก้าห้ากิโลถ้าถ้าสั้นกว่านี้นี่เขาไม่เรียกใช่ไหมคะก็เรียกครึ่งมาราทอนยี่ิบองกิโลอันนี้มันเป็นมาตรฐานของมันเลยใช่แล้วก็มีมินิมาราทอนสิบกิโลอืมค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ ท่านทั้งหลายอาจจะเคยรู้แล้วนะคะแต่นี่ใหม่แต่สรนนิยมมากเลยค่ะแต่ว่าคืองี้คือเรื่องอถ้าจะบอกว่าพระเนี่ยให้ไปวิ่งเนี่ยนะแหมเราก็จะว่ า, างไงเราเป็นพระนะคือ <Okay. S 1> หมาว่าถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยคือว่าคุณควรจะต้องฝึกจิตนะสำหรับบุคคลที่มีข้ออ้างมากๆในชีวิตเนี่ยอย่างเช่นว่าโอ้ยเช้าอยู่ไม่นั่งสมาธิโอ้ยข้ามไปแล้วงานไม่ทำโอ้มีข้ออ้างมากในชีวิตเนี่ยคุณยิ่งต้องฝึกตัวเองให้มาก เป็นกุศโลบายในการที่จะให้ฝึกตนใช่ใช่อ๋อท่านเห็นลูกศิษย์สมควรที่จะได้รับการฝึกตนใช่ก็จึงได้จัด ก, กลุ่มพิเศษใหเ้เพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกไม่ไม่ซ้อมไปถึงงานจริงๆเนี่ยคุณจะไม่ได้คุณจะไม่าดเท่ากับว่าท่านต้องการจะให้สร้างนิสัยเป็นผู้ที่เจริญสติอยู่เป็นประจำไม่มีข้ออ้างหรือเปล่าคะเออให้มีข้ออ้างน้อยหน่อยอ๋ อ, อทีนี้ แต่อย่างไรเียก็ยังติดใจค่ะที่ท่านบอกว่าให้วิ่งแทนที่จะวิ่งไปเปล่าให้วิ่งแล้วอยู่กับลมาหายใจอืมทําได้ทําได้วิ่งไปให้รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าอยู่หน้าหายใจออกอยู่หน้าอย่างนี้แหละคือสติตรงนี้หมายถึงการระลึกได้ะระลึกได้เนี่ยก็คือจําได้นั่นเองนึกถึงอย่างสมมุติเรานึกถึงหน้าคนนี้นึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงร่วงโน้นเรามันนึกถึงลมหายใจ นึกถึงไม่ว่าคุณจะหายใจแบบไหนนะหายใจแรงหายใจเข้าหายใจทางปากหายใจทีหายใจห่างได้หมดให้นึกถึงลมหายใจกันนั่นเองสติเนี่ยพระพุทธเจ้ามีความหมายบอกว่าที่เป็นพุทธศนะบอกว่าระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคําที่พูดและแม่นั่นได้ซึ่งทำให้บางคนไปสับสนกับคำว่าสัญญาสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้ ห, หมายรู้ว่าอันนี้สีเขียวสีเหลืองหมายรู้ว่าอันนี้เจ็บหมายรู้ว่าอันนี้คือหน้าคนนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจำได้นะจําได้เนี่ยคือสติคือระลึกได้ระลึกถึงอ๋อค่ะระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้จํำคาที่พูดแล้วแม้นานได้คื อ, ม, คอมันจะไม่เหมือนกันอย่างคําว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงว่าคุณฝังความจํานี้ลงไปค่ะแต่คําว่าสติเนี่ยคือดึงออกมาระลึกถึง สมมติว่าเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคนไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเนี่ยคุณต้องไปเรียนก่อนว่า c a t cat นะแปลว่าแมวและ r a t rat นะแปลว่าหนูนี่คือฝังลงไปเป็นสัญญาแต่ถ้าเวลาที่เราจะดึงออกมาดึงออกมาว่า cat นะไม่ใช่แปลว่าหนูแต่แปลว่าแมวตรงนี้คือสติเราลึกถึงซึ่งเวลาใครฝึกเรื่องความจำเนี่ยเขาจะฝึกว่ า, าจําลงไปยังไงดึงออกมายังไงอะนะคือจําลงไปนี่คือสัญญาดึงออกมานี่คือสติ อืมค่ะเดิฉันกำลังพยายามนึกตปรเทียบกับไอตอนที่ในนิยายเขาจะมีคนมีความรักเนะี่ยมันจะมีสัญญิงสัญญาแล้วก็มีการทวงสัญญากันเคยพูดไว้อย่างนี้ใช่ใช่ทำไมวันนี้พูดไปเหมือนที่พูดไอตอนเคยพูดไว้อย่างนี้นั่นคือสติ ส, สติถูกต้องตอนที่ร่างสัญญาเนี่ยนั่นคือสัญญาที่เป็นธรรมะมแปลกดีนะคะท่านผู้ฟังคะ่ะแต่ก็อันนี้ เป็นการแปลกที่ต้องรู้ถ้าจะศึกษาธรรมะอืมอก็มีคนมีท่านผู้ปฏิบัติหลายๆลาท่านเคยถามพระมาว่าเออทาไมบางทีเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็หลงหลงลืมๆืมนะค่ะลืมชื่อคนนั้นลืมลืมเรื่องนี้อะไรต่างแต่เราก็มีสติอยู่ในลมหายใจอยู่ไดเรื่อยเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นสติเนี่ยที่คือความระลึกได้มันต่างกับสัญญาตรงนี้ยังไงซึ่งสัญญาหลายๆคนไปเข้าใจว่าเป็นความจําซึ่งไม่ใช่ แ, แค่หมายรู้เฉย ซึ่งความหมายรู้คืออะไรมันก็ไม่เที่ยงหมดอะสติเองก็ไม่เที่ยงอืสัญญาเองก็ไม่เที่ยง่คะแต่ว่าอันนี้ก็ค่อยๆไป ค, คลายครวนกันไปแล้วกันทีนี้ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าบอกว่าพระเนี่ยให้ไปวิ่งมาราธอนเนี่ยแหม่ลามาก็ไม่อยากจะบอกว่าเราให้ทําำนะเพราะว่านะจริงๆหน้าที่ของภิกษุเนี่ยคือว่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจม่มแจ้งให้ออกจากสิ่งที่ไม่ดี เพราะนั้นถ้าอันนี้จะเป็นกุศโลบายอันหนึ่งก็สามารถเอาไปใช้ได้แหละเรื่องการวิ่งค่ะและถ้าหากว่าใครจะตําหนิอะไรตําหนิดิฉันนะคะอย่าตําหนิอาจารย์นะคะ <c oughs> ดิฉันเป็คนยกขึ้นมาถามโดยไม่ได้ขอโอกาสไม่ได้ขออนุญาตท่านอืมพอดีได้ทราบมาแล้วตื่นเต้นอะคะ่ะเพราะว่ามีควา ม, มรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังรายการตอนเช้าซึ่งบางคนรู้ว่าเนี่ยใส่หูฟังนะฟังรายการนี่เป็นประจําพรตื่นเช้ามาออกกําลังกายนี่ใช่ไหมคะว่า ถ้าไม่ใช่การวิ่งมาราธอนเอาไปใช้ได้ัหมคะอนาปาณสติอ๋อได้ตลอดเวลาเลยวิ่งอยู่อาบน้าอยู่ทาอะไรอยู่ควรจะต้องมีสติอย่างนี้ท่ารสั้แต่ดิฉันได้ยินมาอีกอย่างหนึ่งคือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนทางด้านนี้นี่แหละที่พูดวันนี้ก็ไม่ได้ที่จะไม่เคารพท่านเพียงแต่ว่าคล้ายๆเหมือนกันมีมุมที่ไม่เหมือนกันว่าขณะที่เราทาอย่างหนึ่ง นะคะแล้วสมมติเราดูลมหายใจเนี่ยออืในส่วนท่านนั้นที่ดิฉันฟังมาเหมือนกับว่าไอความเป็นสติมันควรเป็นหนึ่งเดียวอืมแต่อันนั้นเหมือนกับเรากําลังทำสองอย่างออืเ ร, รื่องนี้มีรายละเอียดอยู่ซึ่งคิดว่าจะอธิบายต่อในวันพรุ่งนี้ได้อ๋อครับวันพรุ่งนี้ยังเป็นวันศุกร์อ้อคะ่ะเวลาจะหมดลรอคะ หนาทีเท่านั้นตายวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าใช้เวลากับมาราธอนมาเกือบหมดเลยในมรดกการขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมคะก็หวังที่ครบครังั้นคงต้องสรุปอย่างเร็วถามคําถามพระอาจารย์ไทบุญเพียวธรรมะดอทคอมสน่ะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะไปพักพิงที่วัดป่าดอนหายโศูนย์แปดเก้า่สี่หกสี่เจ็พูดกับคุณสุภาพและสําหรับการขอหนังสือพุทธวัจนะนะคะก็ที่เบอร์ 02 269 00 06ค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทธวัาสวัสดีค่ะ